จะสมควรแก่เหตุที่กำลังดำเนินอยู่เองและการละตัณหาก็เป็นไปทุกๆขณะถามจะเป็นละตัณหาตอนไหนตอนที่คุณเข้าใจนั่นแหละตอนที่คุณวิจัยตอนที่คุณรอบรู้จนทุกคุณชัดเจนเป็นไปตามลำดับนั่นแหละตัณหาก็จะถูกละคลายถ่ายถอนเป็นไปตามลาดับความเบื่อหน่ายจากการมีตา ม, มากเท่าไรตัณหาก็หมดที่พึ่งหมดสาระมากเท่านั้น ปัญญาก็ได้สาสณะได้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชิงพื้นที่มากขึ้นวิจัยมากขึ้นในที่สุดจริงๆความจริงปรากฏชัดมากขึ้นแล้วมีไหมที่การกรณนนี้ทำกรรมเพื่อปรารถนาตายต่อไปในที่สุดจริงๆชั้นตราคาต้องถูกวางได้อย่างแน่นอนใช่ไหมใช่นี่เราไม่เคยทํากันอย่างจริงจังเป็นกิจจลักษณะอย่างนี้สักทีเลยอะต่อไปอนี่เริ่มรู้แนวทางใช่ไหมต้องไปนั่งไข้ควนอยู่ดีเผลอไปก็เดิตามาเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ นี่เขาเรียกว่าเกิดความเข้าใจนี่ในการที่จะไขควรนี่คือจักขู่อ๊วันนี้วนๆอยู่จกักขูจกักขู่สุวรไทยจกักขู่นิโรจกักขุ่นิโรธรรมนิยมิตริบดาแต่สําคัญนะเพราะเข้าใจบทนี้แปลว่บทอื่นเนี่ยจะไปได้บทอื่นจะไปได้เพราะบทแรกสําคัญใช่ไหมพอไปบทอื่นก็เริ่มจะวิจัยเป็น นั้นการวิจัยต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดถึงการวิจัยนั้นก็ต้องมีเรื่องเสริมคุ้นข้างเยอะนี่นะแต่ว่าแนวทางการวิจัยท่านจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่นี่คือจากุทีนี้ถ้าดูจากจุดคำว่าสมมาสมพุทธโธเนี่ยถ้าวิจัยอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากจริงๆก็มาพิจารณาดูนะว่าแต่ก่อน มองไม่เห็นว่าสา ม, มารถสัมพุโทโธแล้วเป็นสมถะอย่างไงเป็นวิปัสนาอย่างไ ร, องไรตอนนี้เริ่มเห็นไหมนะเป็นสมถะอย่างนี้นะเป็นวิปัสนาอย่างนี้แล้วเชื่อมโยงอริยมรรคอย่างนี้นะก็ก็จะเห็นแม้ในด้านของโสตฺตานาะชิวหากายามนะแล้วก็รูปอารมณ์สัทธารลมคันตาลมระสาลมปวดตาอาร ม, ลาร ม, ารมแล้วก็ธรรมอารมณ์นั่นในส่วนของอายตนะเขาเรียกอายตนะภายในแล้วก็อายตนะภายนอกต่อมาก็วิญญาณหก ก็าจากคุณญาณมาวิจัยตรงนี้ก็ยิ่มลึกไปนะพรานามมาทําจากคุวิญญาณนี่เป็นนามเนี่เป็นเป็นวิญญาณขาคารพอเป็นวิญญาณขาคารเนี่นะเออได้สัมมาสัมพุทโธด้วยแล้วก็ได้จิตานุปัสสนาด้วยเห็นไหมพวกในข้อที่ได้จิตตานุปัสสนาด้วยเนีเนี่ยแหมจะไปสอนที่จริงเวลาไปวิจัยในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยถ้าดึงพวกนี้เข้าไปจะช้าเลยเพียงเรียงหมวดให้ถูกแต่ต้องเรียนจบก่อนนี่ ถ้าสติปัฏฐานไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งอยู่ล่ะใช่ไหมใช่อถ้าจบสติปัฏฐานไป่เสร็จนะกายกายานุปัสนาจบเวทนานุปัสนาจบธรรมานุปจิตตาจบธรรมานุปันปสนาจบโอ้รู้เลยวิจัยเนี่ยพราะวิจัยโดยอายตนาเนี่ยไปอยู่หมวดธรรมาก็ได้จะให้อยู่ในหมวดของรูปะขันก็ได้ยังงี้ไปด้วยนะนะแม้นวิญ ญ, ญาณ น, นะจากคุญ ญ, ญาเนนะี่ยจากคุญ ญ, ญาณเนี่ยเป็นเป็นวิญ ญ, ญาณขัน ใช่ไหมเป็นมนายาตนะเป็นจกักขุญาณธาตุโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะทําไมต้องอามาวิจัยคำว่าสัมมาสัมพุโทโธโอ้จักขุวิญญาณก็ดีเป็นวิญญาณนัขขันก็ดีเป็นมนายาตนะก็ดีเป็นจักขุวิญญาณธาตุก็ดีเนี่ยเนาะว่าโดยสัจจะเขาเป็นทุกขสัตย์นี่เออในบันไดของวิญญาณนัขขันเหล่านี้หรือว่ามนาญาตนะนะในด้านของมนาเนี่เขาเป็นมนายาตนะเนะ ไม่ใช่เป็นจักขวายาตนาบางคนเอาไอ้จักขูวิญญาณเป็นอายตนะแล้วเป็นจักขวายาตนะจบเลยเป็นอะไรเนียเป็นมนายาตนะก็เป็นจิตนะนะแต่เป็นจักขูญาณธาตุเพาะด้วยธาตุเป็นจักขูญาณธาตุในกรณีตัววิญญาณนี่ความสําคัญของสัตว์นี่วิพิลิตจริงจิงนะเขียนเนี่ยสาคัญว่าตัวเองเขียนแล้วสิ่งที่ถูกเขียนก็ไม่ได้สําคัญว่าเป็นรูปอารมณ์นะและไม่ได้สําคัญว่ารูปในรูปนะใช่ไหม คือเป็นสำคัญว่าอย่างสมมติว่าเอาสัตว์โลกที่วิพิตก็คือว่าบอกว่าเหมือนอ า, อาอจารย์เห็นเยมสุรีจบเลยเห็นได้ที่ไหนนะตัวจากคุญญณยานเห็นแค่สีอะเอาสิแล้วไม่ได้เห็นรูปทุกรูปด้วยในบรดรด า, ารูปยี่สิบเจ็ดรูปเว้นอิทธิภาวะรูปเออเว้นปริสภาวะรูปออไปเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เห็นทั้งหมดเลยเห็นรูปเดียวแค่นั้นเองคือรูปบาหลม นั่นจักรคูวิญญาณทำกิจในการเห็นแค่นั้นเลยฉะนั้นท่านจึงใช้คํำบอกว่าคําว่าเห็นเนี่ยเห็นจากประมาณว่าเห็นเนี่ยเห็นจากเป็นศัก์ว่าเห็นไอตัวจักรคูวิญญาณต่างหากเป็นผู้ไปเห็นตัวที่ถูกเห็นคือรูปายตนะไม่ใช่รูปทั้งหมดท่านจึงใช้คําว่ารูปในรูปทั้งหลายเมื่อเห็นในลักษณะที่จักรคูวิญญาณก็ว่อ๋อเนี่ยไม่ใช่เรานียสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นรูปอารมณ์เนี่ย ทีนี้ถ้าถามว่าเออเข้าใจแล้วว่าแท้ที่จริงเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของนามมาธรรมแระโธรรมทั้งหลายสิ่งที่สามารถทําให้เห็นได้ปริว่ัตว์นั้นมีขันห้าและขันห้ากําลังดําเนินไปอยู่ตอนนั้นขันห้าเก่าคือจกักขุยญาณทํากิจในการเห็นก็คือมานายัตนาทํากิจในการเห็นอยู่แล้วก็วิญญาณขันทําจิตในการรู้แจ้งอารมณ์อยู่เอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจพอเข้าใจอย่างนั้นเบสเส ร, ร็จไม่พอ ไม่พอคือว่าสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปเนะไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นต้นนีนิปราศจากสัตว์บุคคลแล้วนั่นเข้าใจในระดับชั้นแรกในระดับชั้นต่อมาก็คือต้องเข้าใจมากไปกว่านั้นอีกว่าจักคูอุญญาณไม่กำนัดไม่ขาดเคืองไม่รุ่มหลงใช่ไหมเพราะจักคูอุญญาณเป็นวิบากวิบากอันนี้ก็แปลว่าเกิดมาจากกรรมมาจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมใช่ไหม ถ้าเป็นจากขุยญยาณของมนุษย์นี้ชัดเจนในจากกุศลกรรมและจากกุศลกรรมก็จริงอยู่แต่มีตันหากับวิชาเห็นไหมเชื่อมโยงอยู่เริ่มเข้าใจปัจจัยโอ้นี่ไงการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็าึงบอกว่าผู้ทํากรรมก็ไม่มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีผู้กระทํากรรมไม่มีผู้รับผลกรรมมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่เอาเลยสิทตเนี้ย ถ้าเข้าใจอย่างนี้แปลว่าปราจะปราศจากสัตว์บุคคลจริงๆผู้ทํากรรมในอดีตคือขันห้าผู้รับกรรมในปัจจุบันภพคือขันห้าผู้ทํากรรมในนั้นมีตันหามีอวิชามีกรรมในอดีตเนาะเป็นตัวกระทํากรรมโด ย, ยผ่านขันห้าเมื่อกรำนั้นสําเร็จเบ็ดเสร็จแล้วตัวตันหานั้นก็เป็นโรงงานผลิตจากขุ่ินญาณให้ในปัจจุบันภพ และจากกุญญาณกําลังเกิดขึ้นสืบติดต่อกันไปอยู่ในปัจจุบันภพนั้นเพราะตัณหาเชื่อมให้กรรมเป็นตัววิจิตเพราะตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตมีโมหะปกครองอยู่เราก็เห็นกระบวนการของความวิจิตของกรรมด้วยและวิจิตของตัณหาด้วยวิจิตของสัญญาด้วยความวิจิตของผลของกรรมที่วิจิตคือวิบากที่มันกําลังวิจิตกล่าวคือจักกุญญาณที่กําลังเป็นไปอยู่ด้วย จะคุยวิญญาณที่มันกําลังดําเนินเป็นไปอยู่ในการที่การรับรูปารมณ์วิจิตแท้วิจิตจนถึงขนาดว่าสัตว์โลกทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ได้ยินเราเป็นผู้รับทราบเราเห็นสัตว์บุคคลเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเนาะตัณหาก็ยังตามมาเชื่อมความยินดีโมหะก็มาปิดในปัจจุบันนะพบอีกเนาะแล้วก็ทํากรรมใหม่ในปัจจุบันนะพบเพื่อจะเชื่อมโยงให้ได้จากคุวิญญาณใหม่ในพบต่อไปโอ้หน่ากลัวมาก นี่เห็นทั้งอดีตเห็นทั้งอนาคตเห็นทั้งความเป็นไปของปัจจุบันอย่างนี้ก็โมหะก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ได้ทิศได้ทางแล้วเริ่มจะลงทิศลงทางเนาะตัวตัณหาก็ไม่รู้จะเชื่อมจุดไหนโดยนี้เพราะปัญญามาทำกิ่นเขาอยู่ในการที่วิจัยนะคือปัญญาเขาวิจัยแบบนี้อพอวิจัยอย่างนี้เบสเสร็จก็เริ่มจะทําความเข้าใจเนาะเริ่มทําความเข้าใจเข้าไปเป็นไปตามลระดับว่าอ๋อเนี่ยไม่กำหนัดไม่ขัดขืนไม่ลุ่มหลงเลยเพราะจักคุยัญญาณเป็นผลของ อุสรกรรมที่กำลังดําเนินไปอยู่ใช่ไหมเป็นตัววิบากไม่มีความกําหนัดด้วยความรากักด้วยความยินดีด้วยความเบื่อผืนไม่มีความขัดเคืองด้วยอํานาจของโทสะอิสามัเชระยะเป็นต้นไม่มีความลุ่มหลงด้วยอํานาจของโมหะนะไอ้เหการโนธปะไม่มีเลยนะพอไปพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็เ อ, อ้ยต่อมาเวลาชาวนาจะเกิดขึ้นต้องตั้งโยนิโสมนสิการไว้ที่ปัญจวัลวัชนะและมโนวัลวัชนะและ ถ้าลงสู่มโนทวารราชนะก็คือนั่นแหละในมโนทวารราชนะทําโยนิโสมนสิการในการตั้งใจแต่ละครั้งก็ว่าว่าเอ้ยเราต้องเอาจากคุปวิญญาณเป็นประมาณได้แหละจากคุวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคลืองล่มหลงฉี่ไห น, นเราจะทําให้ชาวนากำหนัดขัดเคลืองล่มหลงไม่ควรเลยการตั้งอัธยาศัยอย่างนี้แต่ละครั้ง